พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่2ี่สบสสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทัสกานิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสิบข้อตติยปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่สามวรที่หนึ่งสมณะสัญญาวักว่าด้วยความกำหนดหมายถึงความเป็นสมณะตรัสว่าจเจริญสมณะสัญญาสามประการแล้ว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 แสดงมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นว่าเป็นอาธรรมเป็นอนัต t h คือไม่ใช่ประโยชน์และตรัสถึงสัมมาทิฏฐิเป็นต้นตรงกันข้ามแล้วตรัสต่อไปว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมและอกุศลธรรมอื่นๆพระอานน์อธิบายเรื่องอาธรรมและธรรมกับเรื่องอนัต t h และอะัฏฐะแก่ภิกษุทั้งหลาย ในทํานองที่พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายแล้วและพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแสดงสัมมันตะคือธรรมะฝ่ายดีสิบมิชัตตะธรรมะฝ่ายชั่วสิบยักย้ายในอีกหลายประการวักที่สามริสุธทธิวักว่าด้วยความบริสุทธิ์วักที่สี่สาธุวักว่าด้วยสิ่งที่ดี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 ระลึกผิดตั้งใจมั่นผิดรู้ผิดผลผิดฝ่ายดีหรือฝ่ายชอบคือที่ตรงกันข้ามจตุตถะปรรณาหมวดห้าสิบที่สี่วรกที่หนึ่งปุคละวร์กว่าด้วยบุคคลตรัสแสดงบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมะสิบประการ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 โดยชีย้ความสําคัญไปที่ความประพฤติไม่ใช่สะอาดหรือไม่สะอาดเพราะทําเคล็ดต่างๆวัคที่สามสุนทรวักว่าด้วยสิ่งที่ดีวัคที่สี่เศรษฐวรคว่าด้วยสิ่งที่ประเสริฐวัคที่ห้าเสวิฐตภาเสวิฐตภวัก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 และสัญญาหรือความกำหนดหมายสิบประการเป็นต้นมีข้อน่าสังเกตคือในวรรคที่สองแสดงถึงบุคคลว่าจะตกนรกเหมือนถูกนำไปวางไว้เมื่อประกอบด้วยธรรมะสิบประการมีฆ่าสัตว์เป็นต้นประกอบด้วยธรรมะ20สิบประการคือทําด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นเพื่อฆ่าสัตว์เป็นต้น ประกอบด้วยธรรมะสามสิบประการคือทำด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นและมีความยินดีในอกุศลกรรมมบทสิบนั้นประกอบด้วยธรรมะสี่สิบประการคือทำเองชักชวนผู้อื่นยินดีและกล่าวสรรเสริญอกุศลกรรมมบทสิบนั้นสำหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้าม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 พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายโดยในเดียวกันเนื้อหาที่เหลือของบทนี้นอกนั้นแสดงธรรมะธรมนองเดียวกับหมวดสิบหลายข้อเป็นแต่เพิ่มข้อปลีกย่อยขึ้นอีกหนึ่งจึงเป็นส1บเอ็ดข้อในข้อสุดท้ายตรัสแสดงการที่ภิกษุชื่อว่ามีความสำเร็จล่วงส่วนอยู่จบพรหมจรรย์เพราะอาศัยธรรมะสามข้อ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 โลกนี้สิบโลกหน้าสิอ็ดสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้พระสูตรนอกหมวดห้าสิบตรัสแสดงการขาดคุณสมบัติและการประกอบด้วยคุณสมบัติส1บอประการของคนเลี้ยงโคเทียบธรรมะโดยตรัสย้ายในทางธรรมะ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 อันว่าด้วยชุมนุมธรรมะที่มี10ข้อและ11ข้อ